สวัสดีก็เวลานี้หลวงพ่อก็อยู่ที่แคนาดาความจริงนั้นการมาอยู่ที่แคนาดานั้นก็หวังเพื่อจะเผยแพร่เรื่องของสมาธิแล้วก็ได้รับผลตอบแทนก็คือมีฝรั่ง มาเรียนสมาธิเป็นร่ำเป็นสันตลอดมาอันนี้เป็นที่น่ า, าภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศต่างๆที่มีอยู่ในเมืองแคนาดาเนี่ยเราจะสังเกตถึงอต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีอายุมีใบของมันอยู่ประมาณสี่เดือนนอกจากนั้น มันจะทิ้งใบเหลือแต่ต้นมันเหมือนแกนกะต้นไม้ตายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสโนมันลงก่อนแต่ที่มันจะร่วงใบไม้ทั้งหมดมันก็สีเหลืองหมดทั้งป่ามันก็ดูสวยงามเหมือนกันพอมันร่วงแล้วมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปตั้งหลายเดือนกว่ามันจะออกใบ พอมันออกใบแล้วมันอยู่ได้เพียงสามสี่เดือนมันก็ร่วงใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมชาติหนึ่งอย่างไรก็ตามธรรมชาติคือธรรมชาติเราจะมากล่าวกันถึงเรื่องมงคลลสูตรกันต่อคือมงคลลสูตรที่หลวงพ่อได้แสดงนั้นก็มาถึงสรรตุถีจักกตัญจุตา สันตุถีแปลว่าการอยู่พอดิบพอดีอยู่ได้พอดิบพอดียินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มีเท่าไหร่ก็มีความยินดีอยู่ในฐานะของตนเรียกว่าสันตุถีในข้อต่อไปคือกัตัญญูตาให้รู้จักคุณของท่านพุที่มีคุณแก่เรา ทั้งสองอย่างนี้ท่านถือว่ า, เ, าเป็นมงคลถ้ามันตรงกันข้ามกับสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอภิมงคลคือว่าเมื่อฐานะของเรามีอยู่เพียงเท่าไหรเราไม่สามารถที่จะขยายฐานะก็เรียกว่ามีความสามารถเท่าไรเราก็ทําเพียงเท่านั้น <c oughs> แล้วเราก็ยินดีที่ เราทำมาโดยสุจริตไม่ต้องไปคดโกงไม่ต้องไปลักไปขมโมยไม่ต้องไปทำลายคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานะของตัวเองให้เป็นการพหมาะพดีแก่ฐานะเราอยู่ในฐานะใดก็มีความยินดีอยู่ในฐานะนั้น ในสิ่งนี้เรียกว่าว่าความพอดีความพอดีในฐานะเนี่ยมันจะอยู่มีความเป็นสุขทีนี้ถ้าหากว่าเรามีฐานะอย่างนี้เห็นคนอื่นรวยก็อยากจะรวยตามไปด้วยหาวิธีการต่างๆมันก็เกิดความทุกข์เมื่อการที่เรารู้จักพอดีในฐานะของเรานั้น แเราก็เกิดความสบายนอกจากนั้นเรายังอยู่ในศีลธรรมนอกจากนั้นเรายังอยู่ในฐานหน้าที่ไม่ต้องมีความเดือดร้อนเพราะว่าคำว่าจันทร์ทิคือไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นหรือความขยันหมั่นเพียร น, นั่น ก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าขันติคือความอดทนเป็นความสําเร็จวิริยะความภาพเพียนก็คือความสําเร็จคนเรานั่นถ้าหากว่เกิดการเกลียดข้านขึ้นมาก็ไม่ใช่ถือว่าสันตุถีก็ถือว่ า, เ, าเป็นคนที่ไม่เอาไหนหรือว่ายังไงก็ตามเพราะฉะนั้นในคําว่าสันตุถี ยังมีคำอธิบายมากในฐานะความพอดีเนี่ยถ้าหากว่าคนเรานั่นรู้จักความพอดีในฐานะของตนแล้วทุกคนจะมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นจากบุญเกิดขึ้นจากวาสนาเกิดขึ้นจากบารมีเราจะไปแข่ง ร่างกายนั่นก็พอแข็งได้แต่จะไปแข่งบุญวาสนานั่นแข่งกันไม่ได้เราทำมาทำบุญมาแค่ไหนเราก็ต้องได้รับผลแค่นั้นเพราะฉะนั้นเพระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้พวกเราทําบุญสร้างบุญไว้เพื่อที่จะพัฒนาฐานะของเราทั้งในชาตินี้และในชาติหน้ากัจจัญยูนั้นแม้เป็นสิ่งที่ แสดงถึงบุคคลผู้ทีเ่เป็นผู้ดีที่ท่านแสดงว่านิมิตตังสาธุรูปานางังกะจันยูกัตะเวทิตาการที่รู้จักบุญคุณของบุคคลผู้อื่นนั้นถือว่าเป็นคนดีในขณะเดียวกันกับการที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนอื่นนั้นเรียกว่าคนชั่ว คนชั่วก็คือคนอับประมงคลคนดีก็คือคนที่มีมงคลแก่ตัวอย่างเนี้อย่างที่เรียกวยอดกระตันยูท่านพระสารีบุตรที่เป็นอักษาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้แสดงถึงความกระตันยูให้ปรากฏเป็นประวัติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสองพันกว่าปีมานี้ เพราะว่ามีคนแก่คนหนึ่งที่ชื่อว่าราทะต้องการอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาไปหาองค์ไหนท่านก็บอกว่าบวชไม่ได้เราแก่แล้วอย่างนี้เดี๋ยวจะลำบากองค์นั้นก็ไม่บวชให้องค์นี้ก็ไม่บวชให้พอไปถึงพระสารีบุตรท่านระลึกได้ว่าราทะคนนี้ในวันหนึ่งเคยตัก บ, บาตรท่านหนึ่งทัพี ท่านยังจำได้เพราะฉะนั้นมาเถิดเราจะบวชให้พระสารีบุตรก็ได้บวชให้แก่ท่านพระแก่ราธะราธะเมื่อบวชแล้วก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเือบิดามดาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้ที่ได้สงเคราะห์เรา ไม่ว่าจะเป็นสงเคราะห์ด้วยกรณีใดๆเราก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมท่านเจึงได้กล่าวว่าบุคคลเช่นนั้นเป็นมงคลที่มีความสูงสุดในมงคลทั้งสองข้อนี้สรุปได้ว่าความรู้จักพอดีในฐานะของตนมีบุญมาเท่าไหร่เราก็เสวยบุญเท่านั้นแล้วข้อที่สองก็คือการรู้จัก บุญคุณของมกคลผู้อื่นทั้งสองประการนี้ถ้าหากว่ามีอยู่ในหมู่ใดคณะใดคนใดก็ถือว่าเป็นมงคลเรียกว่าเป็นมงคลที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมงคลทั้งสาสิบเจดข้อเนียมันเกิดขึ้นเมื่อเทวดามนุษย์ทั้งหลายพากันแสวงหามงคลกัน มาเป็นเวลาหลายร้อยปีก็หามงคลไม่เจอบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่หน้าผากบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่แขนบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่การแต่งงานบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่การโกนจุกบางคนก็ว่ามงคลอยู่ที่ได้ลูกผู้ชายอะไรอย่างนี้เขาก็ว่ากันแต่ก็มันก็ไม่ใช่มงคลจริง เมื่อเฉียงกันไปเฉียงกันมาเป็นเวลาถึงสิบสองปีแล้วพระพุทธเจ้าบัดบังเกิดขึ้นมาก็จึงได้มาแก้ปัญห า, ามงคลนี้พระองค์จึงได้แสดงมงคลสามสิบเจ็ดข้อสวัสดีสาธุ